สังยุตตนิกายห้าเล่มแบ่งออกเป็นเล่มที่สิบห้าชื่อสังยุตตนิกายสคขาทวรกหมายความว่าทุกสูตรในเล่มนี้ซึ่งมีถึง271ดสูตรเป็นสูตรที่มีคาถาหรือคำสอนอันเป็นบทกวีคำว่าสคขาทวรกวักที่มีคาถาจึงเป็นชื่อของเล่มที่สิบห้านี้เล่มที่สิบหกชื่อสังยุตตนิกายนิทานวัก คำว่านิธานวรคแปลว่าวักว่าด้วยต้นเหตุคืออธิบายถึงธรรมะที่เป็นเหตุปัจจัยของความเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกว่าปฏิจจสมุตประบาทเล่มสิบชื่อสังยุตตนิกายขันธวารวคคำว่าขันธวารวคแปลว่าวักว่าด้วยวาระที่กล่าวถึงขันธคือกองรูปกองนาม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 เป็นอันรวมกล่าวเรื่องตาหูเป็นต้นในเล่มที่ส8บปดนี้ทั้งเล่มส่วนเล่มที่19าชื่อมหาวารวักคำว่ามหาวารวักและววักว่าด้วยวาระใหญ่หมายความว่าธรรมะเรื่องสำคัญสำคั ญ, คญเช่นมักโพชงอินรีเป็นต้นได้นำมากล่าวไว้ในเล่มส9เกนี้ทั้งสิน้น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 แสดงคำถามของเทวดาคำตอบของพระพุทธเจ้าที่เป็นคาถาหรือบทกวีทั้งคำถา ม, ามคำตอบสองเทวปุตตสังยุตประมวลเรื่องเทพบุตรที่ไปทูลถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้ามีทั้งหมดสามสิบสูตรแสดงคำถามของเทพบุตรคำตอบของพระพุทธเจ้า nuevos, ที่เป็นคาถาหรือบทกวีทั้งคาถา ม, ามคาตอบ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 พระผู้มีพระภาคตรัสภาสิโตตอบมีสห้าสูตร 7. พรามณสังยุตประมวลเรื่องพรามมีพรามณ์ต่างตั้งปัญหาถามบ้างกล่าววาจาก้าร้าวบ้างพระผู้มีพระภาคได้ตรัสโตตอบเป็นภาสิทธให้ได้เห็นธรรมมี2 2สสูตรส่วนใหญ่มีผลเป็นสองคือพรามออกบวชสำเร็จเป็นพระอรหันต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 สัญญาคือความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงเป็นต้นสี่สังขารความคิดหรือเจตนาที่เป็นไปในรูปเสียงเป็นต้น 5. วิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์หมายถึงรู้สึกว่าเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้น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 แห่งตาหูเป็นต้นเท่ากับเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์หกิเลสสังยุตประมวลเรื่องกิเลสคือความชั่วภายในจิตใจที่ทำใจให้เศร้าหมองเจสารีปุตตะสังยุตประมวลเรื่องพระสารีบุตร8ดนาคสังยุตประมวลเรื่องนาค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 สิอวลาหกสั่งยุติประมวลเรื่องวลาหกคือเมฆคือเมฆหนาวเมฆร้อนเมฆหมอกเมฆลมและเมฆฝน 12. วัชโครตสั่งยุติประมวลเรื่องวัชโคตตัอริภาชก 13. สมาธิสั่งยุติประมวลเรื่องสมาธิคือการทําใจให้ตั้งมั่น พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส8บปดชื่อสังยุตตนิกายสลายตนาวัคเป็นสุดตันตะปิฎกพระตรปิฎกเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องอายตนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจในชั้นแรกไม่จัดเป็นสังยุตแต่จัดเป็นหมวดห้าสิบคือปัณสกะรวมสี่หมวดคือปัณสกะที่หนึ่ง ถึงที่สรวมทั้งสิ้นประมาณ200สูตรว่าด้วยเรื่องตาหูเป็นต้นต่อไปจึงจัดเป็นสังยุตรวมสิบสังยุตคือ1นงเวทนาสังยุตประมวลเรื่องเวทนาแสดงถึงเวทนาสองประการถึงเวทนาหนึ่งประการ 2. มาตุคามะสังยุตประมวลเรื่องมาตุคามคือผู้หญิง 3. ชัมผู้ขาทั ก, กะสั่งยุตประมวลเรื่องปริภพาชกชื่อชัมผู้ขาทักกะผู้โตอตอบกับพระสาวรีบุตร 4. โมคลานะสั่งยุตประมวลเรื่องพระโมคลานะ 5. จิตตะคะหะปฏิปุชาสั่งยุตประมวลเรื่องคำถามของจิตตะคะฤหะบดี 6. กคานิสังยุ y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 ประมวลเรื่องมรรคมีองค์8อันเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 2. โงพ่อชงคะสังยุตประมวลเรื่องพ่ชงเจ็ดคือองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้มีสติเป็นต้น3สติปทานในสังยุตประมวลเรื่องสติปฐานส่คือการตั้งสติสประการมีตั้งสติไว้ที่กายเป็นต้น